สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่470เรื่องอีกหน่อยหนึ่งพระเจนะพระเจ้ายังอยู่บทเดิมครับย้อนบทที่16ข้อที่16จนถึงข้อที่20ย้อนบทที่16ข้อ16จนถึงข้อที่20โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าอีกหน่อย ทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราสาวกบางคนของพระองค์พูดกันว่าที่พระองค์ตรัสกับเราว่าอีกหน่อยทั้งหลายจะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราและเพราะเราไปถึงพระบิดาเหล่านี้หมายความว่าอะไรเขาพูดกันว่าอีกหน่อยนั้นหมายความว่าอะไรเราไม่ทราบว่าอีกหน่อยที่พระองค์ตรัสนั้นหมายความว่าอะไร พระเยซูทรงทราบว่าเขาอยากทูลถามพระองค์พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านหลายถามกันอยู่หรือว่าเราหมายความว่าอะไรที่พูดว่าอีกหน่อยท่านจะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะร้องไห้คำครวญแต่โลกจะชื่นชมยินดีท่านหลายจะทุกโศกแต่ความทุกโศกของท่านจะกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีเพียงครับ คำว่าอีกหน่อยหนึ่งถูกใช้ในพมพีตอนนี้นะครับถึงแปดครั้งด้วยกันภาษาอังกฤษใช้คำว่า for a while for a while แปลว่าอีกสักนิดหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งนะครับพระเยซูกำลังพูดกับใครแน่นอนครับในพมพีพูดชัดเจนครับบันทึกไว้ว่าพระเยซูกำลังพูดกับเหล่าสาวกที่ฟังกันอยู่แต่ในคะแนนดวกันครับเมื่อ เพิ่มพีได้ถูกบันทึกและคําสอนของพระองค์ด้ถูกจารึกไว้ในพระคิษ ธ, ธรรมกรมภีนั้นเราก็ทราบว่าพระเยซูไม่เพียงแต่พูดกับเราสาวกในสมัยนั้นเท่านั้นพระเยซูกําลังพูดกับคริสตจักรนะครับในยุคแรกด้วยเช่นเดียวกันครับและพระเยซูก็พูดกับพวกเราทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นคริสตจักรในยุคปัจจุบันนี้พระเยซูพูดกับทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระองค์ทุกยุคทุกสมัย คำว่าอีกหน่อยหนึ่งพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าอีกหน่อยหนึ่งที่พระเยซูพูดนั้นสาวกทีแรกไม่เข้าใจมีความหมายว่าอย่างไรครับมีความหมายสามระดับด้วยกันครับระดับแรกก็คือระดับของสาวกพระเยซูกําลังพูดถึงว่าอีกหน่อยหนึ่งท่านจะไม่เห็นเราก็มีความหมายเล็งถึงการจากไปทางฝ่ายร่างกายที่พวกเขาได้เคย พบได้เคยสัมผัสได้เคยอยู่ใกล้ได้เคยพูดคุยได้เห็นได้ยินฟิสิกส์บอลลีหรือร่างกายทางกายภาพนั้นจะจากไปแล้วจากไปเพื่อที่จะรับการตรึงการเขนครับจากไปเพื่อที่จะนำการคืนดีมาถึงมวลมนุษยาชาติจากไปเพื่อที่จะตายจะสิ้นประชว ในขณะเนียการพระเยซูพูดว่าอีกหน่อยหนึ่งท่านก็จะเห็นเราทั่นหมายความถึงการเป็นขึ้นเหนือนความตายหรือการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์พวกเขาก็จะได้เห็นกายภาพของพระเยซูนะครับใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็นด้วยตาครับแล้วก็จะได้ยินพระชุรเสียงหรือคําสอนของพระองค์ต่อไปด้วยหูในขณะดียการก็ได้ร่วมรับประทานอาหาร ร่วม ก, กันกับพระเยซูและได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระองค์ทางด้านกายภาพอันนี้ชัดเจนก็ตอบสิ่งที่พวกเขาสงสัยได้ว่าทําไมพระเยซูพูดอีกหน่อยหนึ่งท่านจะไม่เห็นเราอีกหน่อยหนึ่งท่านก็จะเห็นเรานี่คือระดับแรกครับระดับพูดกับสาวกเพราะว่าพระเยซูจะต้องจากไปเพื่อที่จะทําภารกิจหน้าที่ของพระบิดาที่ทรงใช้พระเยซูมานั่นก็คือการ สิ้นผระชนการตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของมวลมนุษยชาติต่อไปครับผมจะพูดในระดับที่สองระดับที่สองก็คือว่าพระเยซูกำลังพูดกับคริสจักรคริสจักรที่เชื่อในพระเจ้าในยุคแรกตอนนั้นนะครับหลังจากที่พระเยซูได้เป็นขึ้นไปความตายแล้วพระเยซูก็ใช้เวลากับสาวกนะครับในวงกว้าง อย่างน้อยห้าร้อยคนนะครับที่ติดตามพระเยซูอยู่และยังมีคนที่รู้ว่าพระเยซูเป็นเพื่อยู่ความตายเขามีความศรัทธาในพระองค์ก็จะมีคนอีกส่วนหนึ่งก็จะติดตามพระองค์อยู่พระเยซูกำลังเลงถึงการจากไปในรูปลักษณะของการเฉด็จขึ้นสู่สวรรค์กลับไปหาพระบิดาบันทึกไว้อยู่ในข้อสิบเจ็ดครับ โปรดฟังพิ่มพีในข้อ17นะครับสาวกบางคนของพระองค์พูดกันว่าที่พระองค์ตรัสกับเราว่าอีกหน่อยทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราเพราะเราไปถึงพระบิดาเพิ่มพีข้อนี้อธิบายตัวเองเลยครับว่าการที่พระเยซูพูดถึงว่าอีกหน่อยหนึ่งท่านจะไม่เห็นเราเพราะพระเยซูจะไปหาพระบิดานั่นคือเล็งถึงการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ นะครับ ascension การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทำให้เราไม่สามารถเห็นพระเยซูทางกายภาพอีกต่อไปหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับไม่มีใครเะเห็นพระเยซูในรูปลักษณะของกายภาพแต่ครับพระเยซูบอกว่า <c oughs> เราจะมาให้ท่านเห็นหรือพูดง่ายก็คือว่าอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเรามีความหมาย ถึงการเห็นด้วยตาฝ่ายวิญญาณครับก็คือการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอยู่ในข้อที่ยี่สิบสองฉันใดก็ดีขณะนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีกเห็นไหมครับคำว่าเราจะมาหาท่านอีกและใจท่านจะชื่นชมินดีและไม่มีใครจะช่วงชิงความชื่นชมินดีไปจากท่านได้ นั่นหมายถึงการที่พระเยซูนั้นกลับมาอยู่กับเหล่าผู้เชื่อหรือคริสตจักรในยุคแรกในรูปของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเมื่ออยู่ในชีวิตของใครคนนั้นจะมีความชื่นชมยินดีครับและความชื่นชมยินดีนั้นไม่มีใครแย่งชิงไปจากเขาได้ความชื่นชมยินดีนั้นที่พูดถึงนี้คือความรอดการบังเกิดใหม่ นี่เป็นหลักฐานที่ว่ า, าคริสเตียนนั้นมีความชื่นชมนดีเพราะว่ า, าคริสเตียนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตและผลของพระวิญญาณประการหนึ่งก็คือจอยครับก็คือความชื่นชมินดีและความชื่นชมินดีนี้จอยนี้ไม่ได้แปรเปลี่ยนตามสถานการณ์ความชอบหรือไม่ชอบความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจแต่เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะสถิตยอยู่ในชีวิตของเราและในขั้นเดียวกันครับความรอดสูญเสียไม่ได้ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องความชื่นชมยินดีนี้ก็ไม่สูญเสียไปเช่นเดียวกันเหมือนดังในพระคัมภีร์ตอนนี้แนี่อธิบายชัดเจนนะครับบอกว่าท่านจะชื่นชมยินดีและไม่มีผู้ใดจะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้เหมือนกับพระคัมภีร์ที่ว่าไม่มีอะไรที่ทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ เช่นเดียวกันครับไม่มีอะไรที่ทําให้เราขาดจากความชื่นชมดีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้กับเราได้เดี๋ยวครับเราจะมาถึงระดับที่สามครับระดับที่สามก็คือพระองค์ผีตอนนี้คำว่าอีกหน่อยหนึ่งก็พูดกับคริสเตียนเราในทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกของพระองค์ทุกวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้เรารอคอยครับอีกหน่อยหนึ่ง เราก็จะเห็นพระเยซูด้วยตาทางกายภาพด้วยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีท่าทีของความหวังท่าทีแห่งความหวังในการรอคอยพี่น้องพระเยซูได้เปรียบเทียบเรื่องของอีกหน่อยหนึ่งบางคนถามว่าอีกหน่อยหนึ่งมาพันกว่าปีแล้วอาจารย์ผมอยากจะบอกว่าพระเยซูกำลังเปรียบเทียบว่าอีกหน่อยหนึ่งพระเยซูไม่ได้หลอกเรานะครับ พระเยซูไม่ได้หลอกเราหรือพระเยซูไม่ได้ให้หรือสร้างความเข้าใจผิดกับเราแต่พระเยซูเปรียบเทียบคําว่าอีกหน่อยหนึ่งกับสภาวะนิรันดร์ครับเพราะช่วงเวลาเพราะว่าถ้าเราดูในช่วงเวลาอีกหน่อยหนึ่งนะครับของพระองค์นั้นเปรียบเทียบกับช่วงเวลานิรันดร์การเนี่ยมันก็คืออีกหน่อยหนึ่งจริงๆครับที่เป็น ประเด็นที่สําคัญมากเวลานะครับมิติของเวลามันเป็นคนละเรื่องของมันเป็นคนละเรื่องกับมิติของอีเทอร์โน่มิติของชั่วนินรันดร์นะครับคนละเรื่องกันเมื่อเปรียบเทียบมีคนพยายามเปรียบเทียบผมก็จะบอกว่าเปรียบเทียบเหมือนกับเส้นผมเส้นหนึ่งความหนาของเส้นผมเส่นหนึ่งเปรียบเทียบกับทางหลวงแผ่นดินก็เปรียบกันไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่พระเยซูจะพูดในระดับที่สามคือพูดกับพเพื่อนเสียงทุกคนว่าอีกหน่อยหนึ่งเราจะกลับมารับเจ้าไปอยู่กับเราไม่ว่าเราจะกลับมาทางกายภาพหรือเจ้าจะกลับไปหาเราทางจิตภาพด้วยจิตวิญญาณเราก็จะรู้จักกันเราจะเห็นกันเราจะสัมผัสได้ถึงการประจักษ์การทรงสถิตยอยู่ การเป็นจริงทุกอย่างนั้นเราจะเห็นชัดเจนในวันที่เราไปอยู่กับพระองค์ขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในการที่เราจะเพิ่มพูนความเชื่อของเราและเราเข้าใจคําว่าอีกหน่อยหนึ่งเพื่อที่เราทั้งหลายจะมีความหวังใจครับรอคอยและเราได้รับการคอนเฟิร์มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตในตัวของเราและเราได้รับการคอนเฟิร์มเพราะเหตุที่ว่าพระเยซูนั้นเป็นขึ้นเหนือความตายแน่นอนเพราะฉะนั้นเพื่อพระเยซูเป็นขึ้นเหนือความตาย พระเยซูประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราพระเยซูยังประทานความหวังสิ่งที่เราตอบสนองต่อพระเยซูก็คือรอคอยพระองค์ด้วยความหวังใจด้วยความศรัทธาและด้วยความเชื่อมั่นตลอดไปอาเมน